ก็ย้อนพุทธพจน์เนี่ยนะเพิ่มอีกครั้งหนึ่งว่าเมื่อการมาฉันทะมีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมาฉันทะมีอยู่ณภายในจิตเมื่อการมาฉันทะไม่มีอยู่ณภายในจิตย่อมรู้ชัดว่าการมาฉันทะไม่มีอยู่ณภายในจิตอันหนึ่งการมาฉันทะที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยการมาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วจะละเสียได้ด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วย กามาฉันท่าที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดย่อมรู้ชัดประการนั้นด้วยอธิบายเลยว่าสันตังเนี่ยนะแปลว่ามีอยู่ที่บอกว่าการมาฉันทามีอยู่ณนะภายในจิตอ่ะศัพท์ว่ามีอยู่ตัวนั้นมาจากบาลีว่าสันตังเนี่ยนะคำว่ามีอยู่ในที่นี้หมายถึงว่ามีอยู่โดยการเกิดขึ้นเนืองนืองเนี่ย น, น, นะคือมันเกิดบ่อยๆนะนการที่มันเกิดบ่อยๆนี่แปลว่ามันมีอยู่เนี่ยนะ ทีนี้ถามว่าไอ้ขนาที่รู้ว่ามันมีอยู่กับขนาที่มันมีอยู่นี่ขนาเดียวกันไหมว่าโดยขณะจิตแล้วนะพูดแบบขณะจิตเลยคือขณะที่มันมีอยู่กับขณะที่รู้ว่ามันมีอยู่เนี่ยขณะดเดียวกันไหมเหมือนกันไหมหมอยจิมินฮะคนละขนาดนะนะก็ถามให้งงเฉยๆนะก็ตอบถูกแล้วนนะคนละขนากัน ขณะที่มันมีอยู่เช่นมันมีโดยมีรูปมีเสียงมีกลิ่นมีรสมีโธพธิภะเป็นอารมณ์นะแต่ว่าขณะที่รู้ว่าอ่ะอันนี้เกิดขึ้นเนี่ยอันนี้ขณะหลังแสดงว่ามันหมดไปแล้วอะ่ะจึงรู้ว่ามันมันมีใช่ไหมมันเหมือนกับว่าเราไปเห็นผลไม้ลูกหนึ่งอ่ะนะชอบผลไม้ผลนั้นอะ่สะสดงอ่นี่ใจเราชอบเลยนะไอ้จริงยังไอ้ความชอบอันนั้นหมดไปแล้ว เพิ่งมารู้อ้าวเมื่อกี้เราเพิ่งชอบไปงน้นะครคนลักณะกันอย่างน้ น, น, น, น, น, นแต่คําว่ามีอยู่ในที่นี้หมายถึงว่ามันเกิดขึ้นบ่อยๆนะอภินหะสมุทาจาระวะเสนาติหมายถึงมันเกิดบ่อยมากอภินหานี่แปลว่าเนืองๆ น, นะมันเกิดบ่อยๆมันกําเริบบ่อยๆเนี่ยนะบทว่าอาสัญตังไม่มีอยู่ได้แก่ไม่มีอยู่โดยการไม่เกิดขึ้นอย่า น, นีคือมันมันไม่เกิด ขณะที่มันไม่เกิดขณะไหนบ้างล่ะก็ขณะที่โลภะไม่เกิดนะถ้าว่าโดยจิตเนี่ยชัดเลยใช่ไหมจิตทั้งหมดมีสิบหกประเภทใช่ไหมก็จิตสิบห้าที่เหลือนะเป็นจิตที่ไม่มีราคะบบงนั้นเถอะจิตสิบห้าที่เหลือนี่นะก็จิตเหล่านั้นนะไม่มีไม่เรียกว่าจิตมีราคาเนี่ยนะ ถ้าว่าโดยเป็นดวงดวงหรือว่าโดยองธรรมอ่ะนะการมาฉันทะเนี่ยเกิดร่วมกับโลภะมูลจิตส่วนจิตอื่นๆคือโทสะโมหะเป็นต้นเนี่ยนะจิตเหล่านั้นไม่มีราคาเลยทั้นขณะ ท, ที่จิตอื่นๆที่โลภะไม่เกิดร่วมก็ขณะนั้นชื่อว่าไม่มีโลภะเกิด อันนี้ความหมายหนึ่งหรือไม่มีอยู่โดยการละได้แล้วนะคือพอละแล้วอะ่ะมันจึงไม่เกิดขึ้นนั่นเองเนี่ยนะไม่มีอยู่เพราะละแล้วเนี่ยนะบทว่ายาถาจะได้แก่โดยประการใดอธิบายว่าการมฉันทะย่อมเกิดขึ้นได้ด้วยเหตุใดบทว่าตันจะประชานาติได้แก่ย่อมรู้ชัดเหตุนั้นด้วยเนี่ยนะเพราะฉะนั้นะ สำคัญมากก็คือว่ากามาฉันทะเนี่ยนะย่อมเกิดขึ้นเกิดขึ้นด้วยเหตุใดก็รู้ชัดเหตุนั้นด้วยแต่ว่าตัวการมาฉันทะเนี่ยนะไม่อธิบายมากที่ไม่อธิบายมากอะ่ะคือไม่อธิบายตัวสภาวะของโลภะเพราะอธิบายแล้วอธิบายที่ไหนอธิบายคาว่าอภิชาตัวนั้นอภิชาอันนั้นแหละคือกามาฉันทะนิวรณ เนี่ยนะก็คือโลภะอันเดียวกันเพราะฉะนั้นในตัวโลภะเนี่ยอัตถกถาท่านจึงไม่อธิบายเพรา ะ, ะเป็นสิ่งเดียวกันที่เกิดความยุติดติ ด, ตดข้องเนี่ยนะก็คืออันเดียวกันตอนนี้จะกล่าวเน้นชัดมากว่าการมฉันทะที่จะเกิดขึ้นเนี่ยเกิดเพราะเหตุใดเหตุไหนหนอที่ทําให้กามฉันทะเกิดขึ้น กามฉันทะนี่ย่อมเกิดขึ้นเพราะการทําไว้ในใจโดยไม่แยบใครเนี Dude ่ยนะเพราะอะโยนิโสมนสิกานั to ่นแหละการมฉันทะมันจึงเกิดขึ้นอะโยนิโสมนัสิการในอะไรบอกว่าในสุภนิมิตเนี่ยนะอะโยนิโสมนัสิการคืออกุศลจิตที่เกิดขึ้นในสุภนิมิตนะการมาฉันทะเนี่ยเกิดขึ้นเพราะอะโยนิโสมนัสิการใน สุภระนิมิตคำว่าสุภระนิมิตเนี่ยมีสองความหมายเนี่ยนะความหมายที่หนึ่งสุภระคือสิ่งที่งามสิ่งที่งามตัวนี้หมายถึงกามาฉันทะนิวรณตัวนั้นแหละเนี่ยนะอย่างที่สองก็คืออารมณ์ที่งามเนี่ยนะหมายถึงอิทธารม น, นะการมาฉันทะนี่เวลาจะเกิดเนี่ยเกิดเพราะอโยนิโสมนสิการใน สุภาคือคิดถึงหวนระลึกถึงกามฉันทะอย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือหวน ล, ลึกถึงอารมณ์ที่น่าปรารถนาสุภานิมิตเนี่ยนะสุภานี่โดยศั์แปลว่างามนิมิตก็คือเครื่องหมายนี่นะเครื่องหมายที่ที่งามแบ่งออกเป็นสองคือตัว โลภะตรงนี้ใช้คำว่าสิ่งที่งามสิ่งที่งามตัวนี้คือโลภะเ ง, งามหรือไม่งามมันอยู่ที่ความคิดอันนี้ใช่ไหมความคิดอันนี้ถ้าเกิดขึ้นอันนี้เรียกว่าสุภาเนี่ยนะสิ่งที่งามบาลีมาจากคำว่าสุภาสุภาตัวนี้หมายถึงโลภะหรือ กามาฉันทะนั่นเองเนี่ยนะทีนี้โลภะหรือการมาฉันทะเวลาจะเกิดก็ต้องอาศัยอารมณ์เนี่ยนะอารมณ์ที่ทำให้เกิดโลภะโดยมากเป็นอิทถารมณ์เนี่ยนะอิทธาตัวนี้มาจากอิทถาแปลว่าหน้าปราถนาเนี่ยนะอาศัยอารมณ์ที่หน้าปราถนาโลภะนี้จึงเกิดขึ้น ทีนี้ตัวอารมณ์ที่น่าปรารถนาก็คือรูปเสียงกลิ่นรสพอธพะและธรรมรมนั่นเองเน้นสภาวะที่น่าปรารถนาอัะนนะก็รวมๆก่อนนะสองอย่างคือตัวโลภะอย่างหนึ่งอย่างที่1 น, นะอย่างที่สองก็คือตัวอารมณ์ อย่างที่สามที่จะกล่าวต่อไปคืออโยนิโสเนี่ยนะอะโยนิโสมนสิการการใส่ใจโดยไม่แยบคายเนี่ยนะการใส่ใจโดยไม่แยบคายหรือไม่มีอุบายเลยน ะ, ะคำว่าไม่มีอุบายเนี่ยนะอะโยนิโสคือไม่มีอุบาย ในการคิดเลยอ่ะนะคิดยังไงคิดที่คิดคิดหวังนั่นเองท่านบอกว่าเป็นความหวังเป็นความหวังในสุภะคือในในโลภะอย่างหนึ่งความหวังในอารมอย่างหนึ่งว่าอารมณ์เหล่านี้จะให้ความสุขจะให้ประโยชน์เนีย่ยนะพราะฉะนั้นอันนี้เรียกว่าไม่มีอุบายอ่ะนะไอความไม่มีอุบายเนี่ย ความคิดนี้เกิดแบบนี้คือเกิดขึ้นแล้วหวังในอารมณ์ว่าจะได้อารมณ์อย่างนั้นจะได้ความสุขอย่างนี้จะได้รับประโยชน์เช่นนั้นเช่นนั้นเนี่ยนะแต่ว่าถ้าว่าโดยรวมๆคําว่าอโยนิโสมนสิการคือการใส่ใจโดยไม่แยบคายหรือไม่มีอุบายอย่างที่กล่าวไปไม่มีอุบายว่าเนี่ยนะไม่มีอุบายในสิ่งที่ไม่งามความจริงนั้นอะ่ะไม่งาม แต่เพราะความที่ไม่มีอุบายก็เลยสําคัญสิ่งนั้นว่าว่างามนั่นะนะข้อหนึ่งก่อนนะข้อสองความจริงของสิ่งนั้นนี่เป็นทุกข์แต่ไปสําคัญผิดนั่นนะหรือไม่แยกคายอะนะไปหวังสําคัญว่ามันสุกนะความจริงของสิ่งนั้นเนะ่ยไม่เที่ยงคือมีแล้วก็ไม่มีแต่หวังว่าเที่ยงนะนั่นนะ สิ่งเหล่านั้นไม่ใช่อัตตาเคือเป็นอนัตตาแต่ไปสำคัญว่าเป็นอัตตาเ อ, อันนี้เขาเรียกว่าวิปลาสขณะใดที่วิปลาสอย่างนี้แหละขณะนั้นเรียกว่า อโยนิสโสมนัสิการความคิดที่เรียกว่าอโยนิสโสมนสิการเพราะสําคัญว่างามว่าสุขว่าเที่ยงว่าเป็นอัตตาเนี่ยนะอย่างนี้เขาเรียกว่าอโยนิโศทีนี้อโยนิสโสมนัสิการตัวนี้เนี่ยก็คือความคิดอย่างหนึ่งนั่นเองอความคิดที่จะก่อก่อร่างสร้างตัวให้โลภะมันเกิดขึ้น น, นะนะสมมติอโยนิโศอันนี้เป็นปัจจัยแก่แก่อะไรการมชันทะ อน่นอโยนิโสตัวนั้นเนี่ยนะมานาิการไปที่ตัวการมาฉันทะอย่างหนึง่งมานัาสการไปที่อารมณ์เนี่ยอย่างหนึง่งนี่นคืออยู่ๆแล้วเนี่ยนะโลภะมันไม่ใช่ว่า มันพูดพลาดมันเกิดขึ้นมาเฉยเฉใช่ไหมไม่อยู่ๆแล้วมันเกิดขึ้นมาโดยที่ไม่มีไม่มีปัจจัยไม่ใช่มันได้ปัจจัยปัจจัยอย่างที่ว่าก็คือการมานาสิการที่เรียกว่าอะโยนิโสมนานสิการเห็นอันนี้ใช้คาว่าพูดแบบไทยๆหน่อยนะใช้คำว่ารักหรือผูกพันก็ได้ พอคิดถึงความผูกพันอันนั้นกามฉันทะนี้เลยเกิดนะคิดถึงที่เคยเข้าไปผูกพันเคยอะไรในอารมณ์นั้น น, นก็ช่างเถอะนะไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสอย่างหนึ่งพอคิดไปในความรักความผูกพันเหล่านั้นการมฉันทะก็เกิดนี่ข้อหนึ่งข้อ2คิดถึงว่าเอ๊ะมันก็ดีนะอารมณ์นั้นก็ดีจริงๆอ่ะนะรูปก็สวยเสียงก็เพราะกลิ่นก็หอมก็พิจารณาว่าเอออารมณ์นั้นดี พอคิดแบบนี้บ่อยๆการมาฉันท่านิวรณเนี่ยนะปกติมันก็ยังไม่ไม่เกิดอะไรพอคิดแบบนี้มันเกิดเลยเนี่ยนะเพราะอาอ็ไออยโยนิโสตัวเนี่ยเป็นตัวไปยอมให้การมฉันทะเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยนะอันนี้เรียกว่าเหตุเกิดของการมฉันทะนิวรณเนี่ยนะเข้าใจหมดเลยนะเงียบหมดเลย เพราะฉะนั้นพระองค์ตรัสว่าเมื่อพระโยคาวจรเนี่ยนะยังการทำไว้ในใจโดยไม่เย็บขายนั้นให้เป็นไปมากๆในสุภานิมิตนั้นการมาฉันทะย่อมเกิดขึ้นเนนะคิดอย่างนี้บ่อยๆการมาฉันทะก็เลยเกิดด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสังยุตตนิกายมหาวารวักว่าดูก่อนพี่สูทั้งหลายสุภนิมิตมีอยู่การทาให้มากซึ่งอโยนิสมนสิการ ในสุภาณิมิตรนั้นนี้เป็นอาหารปัจจัยเนี่ยนะคือเป็นปัจจัยเพื่อความเกิดขึ้นแห่งกามฉันทะที่ยังไม่เกิดหรือเพื่อให้การมาฉันทะที่เกิดขึ้นแล้วเนี่ยไพ่บูญยิ่งขึ้นดังนี้เนี่ยนะโลภะที่เกิดขึ้นเนี่ยนะก็อาศัยอะไรจริงจะเกิดขึ้นก็อาศายัยอุปาทานขันห้าใช่ไหม นึกย้อนไปที่ตัวขันห้าอีกครั้งหนึ่งเนี่ยนะขันห้าก็มีรูปประขันเวทนาขันหรือเท่าที่ผ่านมาก็พูดไปที่จิตเลยนะวิญญาณขันก็คือกายเวทนาจิตเนี่ยนะก็คืออุปาทานขันห้าทีนี้อุปาทานขันห้าเหล่านี้เนี่ยนะแปลว่าขันที่เกิดจากอุปาทานหรือขันที่เป็นปัจจัยแก่อุปาทาน รูปเวทนาหรือจิตเหล่านี้เนี่ยนะถ้าสิ่งเหล่านั้นเป็นสิ่งที่ดีเรียกว่าอิทธารมคืออารมณ์ที่น่าปรารถนา<ม>การที่เข้าไปเพลิดเพลินในสิ่งนั้นนั้นเรียกว่าสุภาหรือการมาฉันทะตัวนี้เนี่ยนะทีนี้สิ่งเหล่านี้มันเคยเกิดแล้วนะนะเช่นเคยชอบในอารมณ์เหล่านี้มาก่อนตอนหลังก็มามาคิด หรือมาประจวบเข้ากับกับสิ่งเหล่านี้นะคิดถึงว่าเออรูปเวทนาเหล่านี้อารมณ์เหล่านี้ยน่าปรารถนาเหลือเกินอารมณ์เหล่านี้ดีนะยังใช้ได้อันนี้โลภะก็เกิดขึ้นเพราะปรารบอารมณ์อย่างหนึ่งอีกอย่างหนึ่งก็คือปรารบถึงนะถ้าเป็นภายในอ่ะนะเราเคยชอบแบบนี้มาก่อนนะเนี่ยนะก็ค่ะย้อมใจให้ให้ชอบอย่างที่เคยชอบต่อไปเนี่ยนะ ว่ามอ М มเมาอย่างที่เคยมอมเมาต่อไปอ่ะนะลักษณะนั้นมันวิธีสร้างโลภะก็ปารบสองอย่างเนี่ยนะตารบสองอย่างโลภะเกิดทันทีเลยว่าอยู่ว่างๆแล้วคิดอยากไอ้ทําไมโลภะไม่เกิดนะคิดถึงดอกไม้งามๆเป็นต้นอ่ะคิดไปเรื่อยนะโลภะมันจะเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดขึ้นเกิดอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหรือคิดที่ว่าไอเราเคยชอบอันนั้นอันนั้นเราก็ชอบอันนี้เราก็ชอบนะคิดถึงไอความชอบที่เราเคยชอบมาให้มากๆ โลภะมันก็เกิดขึ้นอันนี้ไม่ได้สอนให้เจริญแต่ว่าเหตุมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาที่เราจะชอบหรือพอใจอย่างใดอย่างหนึ่งนะมาจากสองอย่างนี่แหละเียนะทีนี้ต่อไปว่าการมาฉันทะนั้น จะละได้ด้วยการทำไว้ในใจโดยแยบคายในอสุภนิมิตเนี่ยนะครั้งนี้อสุภแล้วนะหน้าสิบสี่นะถ้าจะละเนี่ยนะที่ละได้เพราะว่ามีอโยนิสโสมนัสิการในอสุภนิมิตคำว่าอาสุภนิมิตเนี่ยนะมีสองความหมายคืออสุภอย่างหนึ่ง อารมณ์ที่ไม่งามอย่างหนึ่งอสุภะในที่นี้หมายถึงอสุภะฌานเยนนอะนะเแยกออกเป็นสองส่วนนะสิ่งที่ตรงกันข้ามกับการ ม, มาฉันทะคืออะไร โดยทั่วๆไปก็คือคําว่าเนคขมมะเนาะเนคขมมะเนคขมมะตัวนี้หมายถึงตัวฌานใจิตนั่นเองเอาแบบตรงเลยนะเอาแบบแบบยิ่งใหญ่เลยนะแต่ฌานอันนี้เป็นเป็นฌานที่เกิดโดยมีอสุภะเป็นอารมณ์เรียกว่าอาสุภฌ า, านเนีย่ยนะอสุภะฌานอาสุภะฌานอันนี้เป็นระดับ เอาแบบสูงก็มหักคตะระดับต่ำ ม, มานั่นก็มีแต่ว่าอาสุภาฌานอันนี้แหละตรงกันข้ามกับกามฉันทะแต่โดยศัพท์คำว่าชานนี้แบ่งเป็นสองใช่ไหมลักคนูปนิสชาญกับนะลักคนูปนิสชาญกับอารัมมณูปนิสชาณอันเนี้ยตรงกันข้ามกับกามฉันทะ ลัคนูปนิสชานนั้นเป็นวิปัสนาใช่หส่วนอารัมณมูปนิสชานเป็นสมถะสมถาวิปัสนานั่นแหละเป็นตัวที่เป็นปฏิปักษ์หรือตรงกันข้ามกับกามฉันทะอย่างหนึงงน่งอีกอย่างหนึ่งอารมณ์ที่น่าปรารถนานั้นโดยทั่วไปนะที่กามฉันทะเกิดโดยมากก็ในรูปปัจขันรูปปขันท ทนในรูปปะขันนั้นก็พิจารณารูปปะขันอันนั้นโดยอสุภะอันนี้อสุภะที่เป็นตัวอารมณ์เห็นไหมคือไข้ครวญในในอารมณ์เหล่านั้น น, นว่าว่าไม่งามไปเลยการยึดติดว่างามเนี่ยนะเช่นไปอุปมาถึงดอกไม้ภูเขาอะไรที่ไหนเนี่ยนะมันเรียกว่าพูดเฉียดเฉียดะนะแต่พูดเน้นไปที่ศัพท์เรียกว่าเน้นไปที่คนหรือสัตว์นั่นแหละ ถ้าเราจะชอบโดยปกติแล้วก็ชอบในถ้าอิทธารม์ก็ในคนที่เรียกว่างามการที่จะละหรือละความสัมพันธ์ว่างามได้ก็ต้องมองสิ่งเหล่านี้ให้ไม่งามเนี่ยนะคิดยังไงจริงจะไม่งามนันก็บอกอสุภะตัวอารมณ์เนี่ยนะแบ่งออกเป็นสองกลุ่มกลุ่มสะวิญญาณกะเนีย่ยนะสะวิญญาณกะอย่างหนึ่งกับ อวิญญาณกะสาวิญญาณกะก็คือพิจารณาอารมณ์เหล่านั้นอะทั้งทั้งที่ยังมีวิญญาณแปลเป็นไทยๆง่ายๆว่ายังไม่ตายะนะเอาคนที่ไม่ตายแหละมาคิดคิดยังไงคิดว่าเบื้องบนแต่ปลายเท้าขึ้นมาใช่เบื้องต่าแต่ปลายผมลงไปมีหนังเป็นที่สุดรอบเต็มไปด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆเช่น ผมก็ไม่สะอาดขนก็ไม่สะอาดเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกก็อย่างเงี้ยไปเรื่อยอนะพิจารณาโดยละเอียดทีท่วนการเจริญอย่างเงี้เรียกว่าอาสุภาอารมณ์ที่เป็นอสุภะอันนี้พิจารณาในสิ่งที่มีวิญญาณส่วนในสิ่งที่มีไม่มีวิญญาณก็คือซากศพที่ตายแล้วหนึ่งวันสองวันสามวันที่เป็นซากศพขึ้นอืดขึ้นเขียวพองอะไรก็อย่างเงี้ยซากศพจนถึงกระดูกแหลกจนเป็นผุยผงเป็นในที่สุดนั่นแหละ การพิจารณาแบบนี้เรียกว่าแบบอวิญญาณสวิญญาณกะนี้มีหนึ่งอวิญญาณกะมี1ิประเภทเรียกว่าอสุภาษิเนี่ยนะอสุภาษิบทีนี้ตรงกันข้ามก็คือมีโยนิโสมนสิการโดยที่มีอุบายเนี่ยนะโยนิโสมนสิกาใคร่ครวรไปที่อสุภาฌานคือตัวฌานเนี่ยนะตัวจิตก็ละกามฉันทานิวรนได้ เนี่ยนะก็จกละได้หรือน้อมจิตไปที่อารมณ์ที่ไม่งามก็ละกา ม, มาฉันทะได้เพราะฉะนั้นโยนิโสมณสิกาเนี่ยนะคือโดยอัธยาศัยก็ว่าไม่งามว่าว่าไม่งามว่าเป็นทุกข์ว่าไม่เที่ยงว่าเป็นอนัตตาอยู่แล้วเนี่ยนะก็มีแนวความคิดแบบนี้แล้วก็น้อมไปว่าเ อ, อกุศลจิตที่สงบระงับจากการมฉันทะเนี่ยมีคุณดีเหลือเกินเนี่ยนะ อารมณ์ทั้งหลายเหล่านั้นความจริงก็ไม่งามอะไรเนี่ยนะการน้อมจิตไปแบบนี้ใครครวรแบบนี้ es, like this, บ่อยๆการมาฉันทะถึงเกิดแล้วก็จะละได้อไที่ไม่เกิดก็จะไม่เกิดเนี่ยนะเพราะการน้อมใจเช่นนั้นเพราะฉะนั้นที่ชื่อว่า การทำไว้ในใจโดยแยบคายหรือโยนิโสมนัสิการได้แก่การทำไว้ในใจโดยถูกอุบายการทำไว้ในใจโดยถูกทางคือทำไว้ในใจในสิ่งที่ไม่เที่ยงว่าไม่เที่ยงในสิ่งที่เป็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ในสิ่งที่เป็นอนัตตาว่าเป็นอนัตตาในสิ่งที่ไม่งามว่าไม่งามเมื่อพระโยคาวจรยังการทาไว้ในใจโดยแยบคายนั้นให้เป็นไปมากๆในอสุภนิมิตนั้นย่อมละการมาฉันทะเสียได้ นนะก็ใครครวนแบบนี้นะพิจารณาอย่างนี้มากๆก็ละกามฉันทะได้เพราะนั้นกามฉันทะที่ที่มันจะละได้เพราะอาศัยการพิจารณาหรือการเจริญกรรมฐานเนี่ยนะรเรียกว่าการเจริญกุศลที่ตรงกันข้ามกับตรงกันข้ามกับกามฉันทะเหล่านั้นจึงจกละกามฉันทะได้น่นะ ด้วยเหตุนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าจึงตรัสไว้ในสังยุตินิกายมหาวารวกว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายอสุภาณิมิตมีอยู่การทําให้มากซึ่งโยนิโสมนัสการในอสุภาณิมิตนั้นนี้เป็นอาหารเพื่อความไม่เกิดขึ้นแห่งการมฉันทะที่ยังไม่เกิดขึ้นหรือเพื่อละการมชันทะที่เกิดขึ้นแล้วนีอันนี้ก็เป็นพุทธพจน์ ท, ที่รับรองว่าการพิจารณาแบบนี้เนี่ยเป็นไปตามคําสอนนะ ไม่ใช่อัตกรถาท่านอธิบายนึกจากอธิบายอะไรก็อธิบายไปเรื่อยไม่ใช่ท่านอธิบายตามแนวพุพทธพจน์อยู่นะว่า ง, งั้นก็เท่าที่กล่าวมาก็ได้สองคำะนะคือเท่ากับสีบรรทัดบรรทัดแรกก็คือมีอยู่การมะฉันทามีอยู่ก็รู้ชัดว่ามีอยู่เพราะมันเกิดบ่อยๆถ้าไม่มีอยู่ก็รู้ว่ามันไม่มีที่ไม่มีเพราะขณะนั้นไม่เกิดอย่างหนึ่งกับเพราะละได้อย่างหนึ่ง อันนี้เรียว่าไม่มีอย่างที่สมที่ที่ยังไม่มีเนี่ยมันจะมีได้ยังไงอย่างที่สีก็คือมีแล้วเนี่ยนะจะละมันได้ยังไงเท่ากับทำเนี่ยนะส่วนเหตุอย่างอื่นอีกที่จะละ<ม>นิวรเนี่ยยังไม่ได้กล่าวเนี่ยนะซึ่งจะกล่าววันวันต่อไปบ้างเนาะ นิมนต์แบบผ่านนี่เท่ากับว่าเอาเอาเอานิมนมาทำปริญญาเอาเอ า, เอาตัวธรรมะในมนโนทวานเนี่ยในมนโนทวานวิถีซึ่งมันเกิดกิเลสแล้วอะ่ะเพราะที่เราเรียนครั้งแรกๆเลยนี่นะฮะตั้งแต่กายาทั้งเวทนาจิตาเนี่ยหมายความว่าดูในลักษณะที่เป็นฉัตรกสูนีน ะ, ะเราเห็นว่า ตอนแรกๆเราเรียนตัวอารมณ์บ้างตัววัตถุบ้างะานะถ้าว่าแบบชาชะกระสูตใช่ไหมอ น, น, นเช่นทวารตานะอาศัยจากขู่กับโรคก็อให้เกิดอันจากขูวิญญา ณ, นนาญญาณธรรมะสามอย่างประชุมการเป็นภาษะภาษาเป็นปัจจัยจึงมีเวทนาเวทนาก็แบ่งเป็นสุขเวทนา ขเวทนาแล้วก็อุเบกขาเวทนาเวทนาทั้ง3เหล่านี้ก็เป็นปัจจัยแก่ตัณหาอยู่ดีก็เอาตัวนี้มาวิเคราะห์เพรา ะ, ะตัณหานี้เน้นในชาวนะที่ทําชาวนะที่หมาขอว่าถ้าเราทํำปิญญาณในรูปก็เป็นกายานุปัสนาถ้าทําปิญญาณในจักรคูก็เป็นกายานุปัสนาถ้าทําในจกักรคูวิญญาณก็เป็นจิตตานุปัสนาถูกไหมครับ ตอนนี้เรามาทําถึงตัวตันหานี่ใช่ไหมครับเจ็ดพันที่จะเป็นธรรมานุปัสนาอตัวเวทนาก็เวทนานุปัสนาใช่ไหมเจ็ดพันพอมาทําถึงตัวกิเลสในชาวันนะในมโนทวารใช่ถ้าถ้ากล่าวโดยลําดับอนะข้อแรกก่อนก็กล่าวรูปประคันนะจกขู่กับรูปเป็นกายใช่ไหมครับเท่ากับกายายนปันนีะวิญญาณเป็นเท่ากับปันาจิต อ่ะ น, นะเวทนาเท่ากับเวทนานุปัสน า, นาทีนี้มาถึงธรรมะที่ที่มีพวกนี้เป็นปัจจยัยละอ่ะ น, นะเน้นธรรมะคือเจตสิกเ น, นี่ยนะนนก็คือหมายคขาว่าลึกไปเรื่อยนะเพราะฉะนั้นถ้ารู้เรื่องใดจริงมันก็รู้ทั้งหมดเองนั่นแหละก็หมายความเพราที่ผมถามที่หมายความว่ า, วาถ้าเราจะมาวิเธรรมะเอ่อปัญญาในตัวตัณหาหรือตัวในตัวในนิวรณ์นี่นะ ก็หมายความว่าเราก็ต้องรู้ความเป็นมาของไอตัวข้างบนด้วยถูกไหมครับจึง<อ>จะมารู้ไอ ต, ตัวตันหานี่ัเวลารู้ตันหาเนี่ยนะตามสูตรเนี่ยจึงขึ้นต้นด้วยว่าสันตังใช่ไหมข้อแรกมีอยู่เห็นไหมถ้าการมาฉันทะมีอยู่ก็รู้ว่าการมาฉันทะมีอยู่ก่อนอสันตัง ไม่มีอยู่เนี่ยนะไม่มีอยู่ที่ไหนภายในจิตนะเมื่อไม่มีอยู่นาภายในจิตก็รู้ว่าไม่มีอยู่นาภายในจิตทีนี้ถ้าถ้าไม่มีแล้วมันจะเกิดได้ยังไงรู้ว่ามันจะเกิดได้ยังไงอย่างที่สองถ้าเกิดเนี่ยนะถ้ามันเกิดเนี่ยถ้าจะละมันละได้ยังไงนะนะหนึ่งสอง อย่างที่สี่เนี่ยมีอยู่สองในในแรกก็คืออย่า น, นีไอ้ทีละเนี่ยละแบบแบบพระพุทธพจน์เนี่ยนะแบบพระพุทธพจน์ละแบบพระพุทธพจน์คือละยังไงละว่าโยนิโสมนัสิการอ่านะโยนิโสมนัสิการในสุภนิมิตเอขอข้ไปในอสุภนิมิต อันเนี้ยเป็นปัจจัยที่จะให้ละเนี่ยก็ต้องมาเกี่ยวกับการมาฉัน <ไง S 1> ทา น, นิน<ห>นนวอนเรจปั๊เกี่ยวข้องกับตัวอารมณ์คือรูปหรือนั่นแหละก็อันนี้มันเป็นผลอยู่แล้วใช่ไหมถ้าเสียงมันหอนเนี่ยปรับที่ไหนที่วอลลุ่มนู้นทีนี้มันจะมีในอยะแบบอัตกถาซึ่งยังไม่ได้กล่าวเนี่ยนะอัตกถาพูดถึงวิธีละนิวอนเนี่ออยหกอย่างอ น, น, นซึ่ง หนึ่งสามี่ห้านั้นก็เป็นไปตามพุทธพจน์แต่เป็นการอธิบายแบบประมวลมาซึ่งเรายังไม่อธิบายถึงเราอธิบายถึงเท่านี้อยู่เนี่ยนะทีนี้พูดถึงคำว่ามีอยู่เนี่ยมียังไงมีถึงว่ามันเกิดบ่อยๆเนี่ยนะมันเกิดแล้วเกิดอีกนะอันนี้เรียกว่ามีอยู่ถ้าไม่มีอยู่ไม่มีเพราะขณะนั้นไม่เกิดเนี่ยนะไม่มีเพราะมันยังไม่เกิด กับไม่มีเพราะละได้อันนี้นะคำว่าไม่มีทีนี้ถ้าถ้ามันจะเกิดล่ะถ้ามันจะเกิดเกิดได้ยังไงถ้าเอาพูดแบบฉากระสูตรนะโดยมากปัญหาอันนี้เรียกว่ารูปปัญหาหชื่อเต็มเขาเรียกว่ารูปปัญหาหเพราะตัญหา น, นี้มีรูปเป็นอารมณ์อโยนิโสมาสิการว่าวเราเคยมีโลภเนี่ยนะ เราเคยชอบแบบนี้มาก่อนนะคิดถึงความที่เราเคยชอบแบบนี้มาอันนี้ก็เป็นวิธีสร้างตันหาเพิ่มนะเช่นอาหารไม่อร่อยเนี่ยนะเอ๊เราก็ชอบอาหารชนิดนี้นะขับรถมาตั้งไกลก็เพื่อจะมาทานอาหารชนิดนี้เนะนี่ยนะนังเรื่องนี้ตั้งใจจะดูมาตั้งนานแล้วก็ย้อมไอโลภความที่ความผูกพันในครั้งก่อนนะคิดถึงไ อ, ไอความชอบใจบ่อยๆอันนั้นแหละเป็น อโยนิโสในสิ่งนั้นอันนี้วิธีสร้างปัญหาอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองอารมณ์นี้มันดีจริงๆอ่ะมันงามมากอ่ะอนะก็ใส่ใจในความงามของอารมณ์นี่นะชมว่างามไปเรื่อยอันนี้ก็พอกพูนมากขึ้นมากขึ้นอย่างนี้เพระะนันวิธีที่จะให้โลภะเกิดหรือว่าโลภะจะเกิดเกิดเพราะหนึ่งคิดถึงโลภะด้วยกันที่เคยชอบอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองคิดถึงสิ่งนั้นน่าชอบนะ อันนี้วิธีที่ให้โลภะเกิดทีนี้ถ้าจะละละ่ะละก็แก้เป็นอย่างไปตรงนี้แก้ไปที่อะไรแก้ไปที่อโลภะอโลภะก็คืออสุภาอย่างที่สองแก้ที่อารมณ์เนี่ยนะให้ให้อารมณ์นี้เป็นอสุภาอีกนั่นแหละเห็นไหมถ้าใสา่ใจโดยอะ อ, อ, อสุภาอันนี้นะใส่ใจถึงฌานที่มันตรงกันข้ามกับโลภะ แล้วก็ใส่ใจในความไม่งามของอารมณ์อันนั้นก็จะละกา ม, มาฉันทะได้เนี่ยนะไม่ใช่ว่าโอโ้โหอา้าวมันก็มันมันหลับไปแลว้วนะนนะีไม่ใช่ันไอ้ที่ที่มันเกิดแล้วละได้ด้วยอาการอย่างนี้อันนี้กล่าวตามพุทธพจน์ตรงๆก่อนเนี่ยนะซึ่งอัตถกถาประมวลพุทธพจน์ที่อื่นมาอีกเยอะหกข้อนะซึ่งเป็นวันหลัง ก็สมุทเฉดก็ไม่เกี่ยงอะไรคือคือถ้าก็าปาาเป็นทั้งสมถะและวิปัสนาไอที่ละตรงนี้น ะ, ะ, นะนวิขมพนาประหารเนี่ยนะแต่ว่าถ้าจะกล่าวตอบอีกคำหัาคันที่หนะละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดอันนั้นก็เท่ากับยกที่ผ่านมานั่นแหละมาพูดเนี่ยนะจนบริบูรณ์เนี่ยนะ ที่จริงธรรมะท่านสัมพันธ์กันสัมพันธ์กันตั้งแต่แรกจนถึงอรหัตตมรรคเนะที่ละได้แล้วจะไม่เกิดขึ้นต่อไปด้วยประการใดอันนั้นหมายถึงอรหัตตมรรคนะจึงจะตัดได้เป็นสมุทเฉดเนี่ยนะซึ่งวันพรุ่งนี้จะได้กล่าวอย่างอื่นๆต่อไปอีกว่าอโลภะมันเกิดเพราะอะไรนะทำไมโลภะมันจึงเกิดถ้าจะละมันละยังไงนะโยงของกรรมมาทำให้เริ่มมองเห็นบ้าง แล้วแล้วการเจริญเนี่ยเจริญนี่นี่พูดถึงว่าพอมาถึงตรงนี้เจริญเนี่ยนะฮะการผ่าการเจริญเนี่ยก็ก็โยนิโสหรือตึกไปในตั้งแต่ตั้งแต่ไหนถึงว่าตัวนิวรณ์จะเกิดหรือเกิดแล้วอะไรเนี่ยตรงนี้เนี่ยมาข้อว่ามาข้อนิวรณ์เกิดจริงๆแล้วหรือยังไม่เกิดหรือว่ายังไม่เกิดก็โยนิโสได้แต่ถ้าเน้นแบบพ่านนี้ขึ้นมาเลยก็ไม่ต้องรอให้เกิด ไม่ต้องรอให้เกิดก็เจนตอนหรือว่าท<น>ี่เคยเกิดมาแล้วในอดีตก็เอามาวิจัยได้อยู่แล้วเห็นไหมหรือภายนอกก็ได้อยู่แล้วเจนตอนอบางคนก็ไม่ต้องคอยให้เกิดเองอะนะเห็นแต่คนอื่นเกิดก็พอละเห็นไหมส่วนรายละเอียดในตรงนั้นจะได้กล่าววันต่อไปกนะันเนาะ